การปกครองก็สมัยก่อนจากประเทศเดียก็เป็นแผ่นปกครองตามหัวเมืองตามแผ่นต่างๆแต่ตตตเินลพัฒต์ก็จะคือปัตตาน า, า, าราสีอะรต่างๆเป็นแผ่นไปสิบสี่แผ่นไม่ว่าเป็นรัฐก็ตตามายากให้รวมเป็นเขตกาปรปกครองเดียวน่าจะเศรษฐกิจ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 ก็มีปัญหาไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคเป็นเรื่องปุ่มเอื่อตไปก็มีจามีงานใการก็มีเพื่อคนอื่นสร้างคุมชนให้คนอื่นได้ปวงมีเศรษฐกิจรวมอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็รับผิดชอบสมัยก่อนไม่แต่รูข้าวรูน้ำ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 มันโชมืมอดูแล้วมันก็โชว์รูกายกายมันโชมันมีอะไรตรงกายบ้างอะไรเป็นปัญหาอันแก้ปัญหาตรงกายมันมีต่วไหนเห็นกายในสติเห็นกายเห็นกายก็เห็นอย่างไรมาเชื่อต่วตาเนื้อดูมีสติงั้นเราเอามือวางไว้บนเข่าพืิกมือขึ้นเห็นไหมเห็นยกมือขึ้นเห็นไหมเห็น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 เหมือนเราขึ้นเขาหน้าผามันชันขึ้นตรงไม่ได้ต้องเอียงเหมือนทางขึ้นดอยสุเทพยังมัดเชียงบางถ้าขึ้นตรงๆหนงเจ็ดกมมันขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นอ้อมไปยี่สิบสามกมมันจึงขึ้นได้รถลาขึ้นได้ราหน้าต่างหนักขึ้นได้ตตาเคยเดินขึ้นสายตรงเจ็ดกะแล้วเดินขึ้นสายไม่ตรงยี่สิบหกกมเดินทาตามทางรถยน์ ก็ลองดูทั้งสองทางเคลนโดยโก็ดึกดงก็ขึ้นตรงไม่มีทางรถชนอาจจะเ้หนืน่อหยหน่อยถ้าไม่ทนก็ขึ้นมาได้การเห็นตรงๆแต่มันไม่ใช่ตรงร่างกายศรัายายนั้นไม่อุบายแล้วไปเห็นกายเป็นกายมันไม่มีอุบายมันตรงเกินไปมันขึ้นมาได้เ ป, เป็นตัวเป็นโตเป็นตน้น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 มันก็มีอันหมู่เนี้ยมันมีอยู่ในโลกเป็นรสชาติของโลกสัตว์โลกก็ติดรสตรงนี้ไปสุขไปทุกข์ผู้เห็นโลกยังไงก็ไม่ได้ติดหรอกน่าด้ติดไปมีค่าสุขก็ไม่มีค่าทุกข์ก็ไม่มีค่านั่นก็ไปอย่างนี้ทางมันบอกไปอย่างนีน้จากพูดสั้นๆัเพียงสองนาทีก็จบแต่ภาคปฏิบัติจริงๆมันจบว่ะแต่ว่าการ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 ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุเท่านั้นสาธิบุตรได้พอเป็นมโนปุปติสสะยังไม่บวชนะชื่อว่าปุติสสะมโนปไม่ดวงตาเห็นธรรมทันทีโอ้ ท, ทุกสิ่งทุกข์เกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุได้บระลุธรรมขั้นต้นเป็นพระส โ, พรโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลขั้นต้นพอใจจะกรกาบอัชชี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 ศาสนาต้นๆเกิดแค่นี้พระสงฆ์นังหลายก็สอนแค่นี้ต่อมาจึงมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีรูปแบบต่างๆก็ขยายเป็นเป็นวัฒ น, น, น, น, น, นธรรมประเพณีไปสชาสิพิธีศานชนะวัตถุสาสชนะบุคคลสานชนะธรรมศาชาติพิธีนี่มากมายเต็มบ้านแต่ เ, เมืองศานชนะวัตถุก็มากมายเต็มบ้านแต่ เ, เมืองศาสชนบุคคลก็ไม่มากมาย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 น่าเห็นใจคนที่หลงเราหลงก็เหมือนกันถ้าหลงมากาก็ทำลายล่างกันได้เพราะคนหลงจึงมีปัญหาต่อโลกเาตัวตายฆ่าคนอื่นตายบางทีก็โลภเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนเองเมื่อหลงมากๆก็เดือดร้อนล้วจะไปจับคนที่หลงไปฆ่าทิ้งอันก็มาใช่ทำไมเราจึงจะไม่ให้คนหลงเกิดขึ้น